ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามภิกษุเหล่านั้นว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกเธอใชใ้ทำสันผัสทุกๆปีเป็นผู้มากไปด้วยการขอเป็นผู้มากไปด้วยการออกปากขอด้วยกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงให้ขนเจียมพวกอาตมา ต, ต้องการขนเจียมดังนี้จริงหรือภิกษุเหล่านั้น